ดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกอแต่ ไกลๆจะในเรื่องที่พอช่วยได้ยิ้มและมีบางครั้งที่เคยขัดใจ ก็